ไม่มากขึ้นแต่ก็ยังหมกมุ่นอยู่ยังเข้าไปยังเข้าไปเป็นตัวที่หมกมุ่นไม่ไม่ไม่ปล่อยวางอาการที่หมกมุ่นแต่แต่เป็นเป็นผู้เป็นอาการที่หมกมุ่นเป็นอาการที่หมกมุ่นไม่ได้ไม่ได้ปล่อยวางอาการที่หมกมุ่นเห็นอาการที่หมกมุ่นแล้วปล่อยวางหมดปล่อยวางอาการที่หมดหมกมุ่นในใจคิดหมกมุ่นหมกมุ่นคุณคิดในใจแต่เราเนี่ย จะมีอาการหมกมุ่นอยู่คือเข้าไปเป็นคนหมกมุ่นตอนนี้อาการหมกมุ่นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าไปดับมนะันไม่ใช่ก็ใจปิดเราพยายามดับเขาแต่อาการที่มันห ม, มกมุ่นอยู่เหมือนแมงวีในใจอย่างเงี้ยปล่อยวางให้เขาไปเป็นสังขารไหมสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราปล่อยวางเข้าไปเสีย เขจะเป็นไงก็ปล่อยวางเขาตลอดเวลาปล่อยวางเขาตลอดเวลาไม่เข้าไปยึดบ้านถือบ้านอะไรถ้าอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรใจ ก, ก็มันก็เป็นธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปอที่มันมีอาการมันมันไม่ได้เป็นความคิดอะไรแต่มันเหมือนกับมันมันเป็นอายุยื้อยุ่ยืย้ย่ยอยู่ข้างในลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมคะนีล่ลักษณะของเราเนี่ยของหลีเนี่ยคือเข้าไปพยายามวิเคราะห์ ก็ไปพยายามหากิจคนพยายามคนพยายามจะคนเพื่อให้พบพระนิพพานมันก็เลยเอาตัวเราหลงเนี่ยเอาตัวเราไปเป็นตัวสังขารคือพยายามจะวิเคราะห์พยายามจะดูพยายามจะรู้พยายามจะเห็นพยายามจะทำความเข้าใจเพื่อให้มันพ้นทุกเพื่อมารู้พระนิพพานในปัจจุบันแต่มันกลายเป็นว่าเพื่อให้ตัวเราเนี่ย เพืตัวเราคนทุกตัวเราตัวเราเลยมันมีตัวเราในยืนพื้นไว้ในใจเราต้องเข้าใจเลยไปอีกว่าตัวเรามันไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มีมันเป็นธรรมชาติของใจที่มันทํากิริยาการใดๆไม่ได้ใจหรือจิตเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีกิริยาการใดๆมันคิดนึกตื่นตองไม่ได้ มันแสดงกิริยาอาการใดๆ ไ, ไม่ได้ทั้งหมดนั่นมันก็ไม่ต้องมาทําอะไรเพื่อตัวเรา <Okay. S 1> เพราะเรา ถ, ถ้าจะเปรียบว่าใจเป็นเราแทๆ้ๆก็เราเนี่ยมันมีกิริยาการใดๆไม่ได้และมันเนี่ยเป็นสภาพที่ว่างเปล่าจากอาการใดๆทั้งหมดอยู่แล้วเราไม่ต้องไปช่วยตัวเราช่วยทําความเข้าใจตรงนี้แค่นั้นแหละว่าเราเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลย มันเป็นสภาพที่ปรุงแต่งไม่ได้แล้วนี่คือใจหรือตั้งจิตตัดด้งเดิมแท้ๆที่มันมีอยู่ในแล้วในทุกตัวคนมีอยู่ในพุทธเจ้าในพระอาหารหันต์ในพระาารพระาารุทธชนและในสัตว์ทั้งหลายใจหรือจิตเดิมแท้ๆเนี่ยมันเหมือนมดลูกของผู้หญิงอะผู้หญิงทุกคนก็มีมดลูกมดลูกเนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างมดลูกขึ้นมาใหม่ไม่ต้องพยายามไปทําอะไรให้กับมดลูกนั้น ส่วนจิตที่มันคิดนั้ตึกตอมปรุงแต่งที่มันคิดได้มีแสดงกิริยาการได้ต่างๆเนี่ยมันเหมือนเด็กที่มาเกิดในมดลูกหรือในคันของผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยคันของผู้หญิงเนี่ยมันมีอยู่แล้วเหมือนกับจิตตั้งเดิมแท้ๆหรือใจตั้งเดิมแท้ๆเนี่ยของพวกเราทุกคนเนี่ยซึ่งมีสภาพปรุงแต่งไม่ได้แสดงกิริยาการใดๆไม่ได้มันมีอยู่แล้วในทุกตัวคนในพระเจ้ามีแล้วในพระเจ้าในปุตรชนใน ในพระอาหารหันต์ในปุถุชนในสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายในสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นป้ายตายเกิดมันมีเนี่ยมีใจหรือจิตเดิมแท้ๆทึ่งมันปรุงแต่งไม่ได้มันมีแต่ความเงียบความสงบความสงัดความไม่มีตัวตนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทั้งจากกวาลโลกาธาตุแต่ทุกอาการที่ปรากฏขึ้นในใจเนี่ยมันเหมือนเด็กที่มาเกิดในครันเขาก็มีหน้าที่มาเกิดแล้วก็มีหน้าที่คลอดไปของเขาไม่ใช่เกี่ยวกัน แล้วเนี่ยแต่หลีเนี่ยกับเอาตัวเราเอาตัวเราไปปรุงแต่งได้ต้งที่ตัวเราเนี่ยมันเป็นใจห ร, รือจิตเดิมของเราถ้าที่มันปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นใจที่ปรุงแต่งไม่ได้เรากับเอาตัวเราตัวเราที่มันสามารถปรุงแต่งได้ไปดิน้นรนไปค้นหาไปพยายามไปวิเคราะห์ไปพยายามช่วยตัวเองให้ไม่หลงให้ไม่ติดไปกับอะไรให้มันเป็นอย่างงู้นให้มันเป็นอย่างนี้พยายามช่วยตัวเองทุกอย่าง เลยมันผิดหลายต่อผิดคือกลายเป็นเราเนี่ยมีตัวตนแล้วก็เอาเราเนี่ยไปปรุงแต่งได้มันผิดตั้งสองสาชั้นนเนี่ยกลายเป็นเราเนี่ยมีตัวตนที่รองรับอะไรได้เราเลยพยายามช่วยเพื่อตัวเราช่วยตัวเราให้มันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปปรุงแต่งได้เอาไปคิดไปวิเคราะห์ไปวิจารณ์วิจัยไปตึกไปตองไปไข่ควร ไปหาเหตุผลไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายามมันเลยกลายเป็นตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ใจหรือจิตดั้งเดิมแท้ๆที่ปรุงแต่งไม่ได้ตัวตนไม่มีกลายเป็นตัวมีตัวตนสามารถแสดงกริยาการต่างๆได้หมดเลยมันผิดผิดจากธรรมชาติของของเราทั้งดั้งเดิมแท้ๆหรือจิตดั้งเดิมแท้ไปแล้วเข้าใจไ้ยเนี่ย มันมีตัวที่เข้าไปพยายามจะดูจะไปค้นตลอดเวลาลนะักษณะนั้น ม, มันเหมือนมันเหมือนก็ไม่ยอมหยุดที่จะไปนค้นอย่างนั้นนะคะเราหยุดก็ไม่ได้ไงเพราะว่าเขาเป็นสังขารปรุงแต่งหรีหรียังเข้าใจผิดอจะพยายามไปไปไ ป, ไปดับไปหยุดอาการที่เขาไปคน้นไปตึกไปตองไปคิดไปไปเคราะ์มันเข้าไปดับเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นธรรมชาติของฝ่ายปรุงแตง่ง แต่ใจหรือจิตดั้งเดิมแท้เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเป็นความว่างความสงบความสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับโลกธาตุใจเนี่ยมันเลยไปไ ป, ไปยุ่งกับไปอาการของจิตที่ปรุงแต่งไม่ได้แต่ลรยังไม่เข้าใจตัวเนี้ยหรือพยายามยังจะเอาไอ้เอาตัวเราไ ป, ไปดับดับไม่ได้มันดับไม่ได้มันดับไอ้ตัวที่มันคอยเข้าไปหงุดหงิดมันคอยเข้าไปปรุงแต่งมันเราดับมันไม่ได้สักทีมันดับไม่ได้สักทีพยายามไปปล่อยวางมันก็วางไม่ได้สักทีเรามันคอยเข้าไปปรุงแต่ง ตัวนี้หลียังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจได้ใจนะฮยังงงงงอยู่ถ้าเกิดอย่างนี้ปุ๊บบางทีก็จะไปสร้างอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาแบบทําให้ให้มันดูถ้าแบบเริ่มว่ามันเริ่มเข้าไปอยู่กับมันเยอะๆแล้วเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกตัวเหมือนกับเราไปพยายามจะไปให้เราแยกออกไหมบางทีก็จะเป็นแบบนั้นคือคือมันมันรู้สึกว่าจะไปทําอีกอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาหลี ล, ลงขอถามหลียหน่อย ถ้าตัวเราไปสร้างเราอยู่กับคนเยอะๆแล้วเราพยายามไปสร้างให้ตัวเราแยกออกมาจากอาการใดๆทั้งหมดแยกจากคนอื่นมาแล้วไปสร้างให้ตัวเราเนี่ยออกมาจากอาการใดๆทั้งหมดใจหรือจิตเดิมแท้ๆของเราเนี่ยมันไปสร้างแบบนั้นได้ไหมอ่ะทำไมมันสร้างไม่ได้แล้วไม่หรือไปพยายามจะสร้างให้ตัวเราเนี่ยแยกออกมาจากอะไรอ่ะเป็นตัวนั้นมันก็ต้องเป็นตัวปรุงแต่ง มันทึกพยายามไปสร้างแต่ว่าตัวเราเนี่ยแยกออกมาจากคนนู้นคนนี้แยกออกมาจากอาการของใจแยกมาจากสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้อันนั้นมันตัวปรุงแต่งเราเห็นมันเป็นแค่ว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งก็อย่าไปยุ่งกับเขายุ่งเขาไม่ได้เพราะว่าเราเหรือจิตตั้งเดิมทแท้แเนี่ยมันไม่มีตัวตนเลยไม่มีรูปรา่างไม่มีอะไรเลยมีแต่ความเงียบความสงบก็า ส, สงัดไปทั้งจักรวาลโลกธาตุแล้นะ่มันเคลื่อนที่ไม่ได้คิดนึกถึงตอมปรุงแต่งไม่ได้แสดงอาการใดๆไม่ได้เลยนั้น ภายในจิตใจของเราเนี่ยทุกขณะปัจจุบันถ้าเขามีอาการมีกิริยาการ ใ, ใดๆจุ๊กๆิ๊กจยังไงแม้แต่เสี่ยววินาทีเดียวไม่ใช่เราทั้งหมดเลยเพราะเราเนี่ยหรือจิตดังเดิม แ, แท้ๆเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ได้แสดงกิริยาการ ใ, ใดๆไม่ได้แอคชั่นหรือพยายามจะช่วยตัวเราหรือจะพยายามคิดวิเคราะห์ดี่หนก้นหามันทําไม่ได้ทั้งหมดอะถ้าอะไรก็ตามถ้าถ้ามันแสดงกิริยาการได้แสดงพฤติแห่งจิตหลงปูดูเรียกว่าพุทิแห่งจิต หรือ เ, เรียกว่าพฤติกรรมเลยเนี่ยแต่พอมาใช้กับจิตเลยเรียกว่าพฤติกรรม เ, เรียกว่าพฤติแห่งจิตถ้ามันแสดงพฤติแห่งจิตหรือแสดงกิริยาแสดงอาการออกมาได้มันเป็นสังขารบูต่งทั้งหมดใจหรือจิตดั้งเดิมแท้แสดงอาการไดๆไม่ได้เลยเดี๋ยวหรือยังไม่เข้าใจหรือยังไม่เข้าใจดีพยายามเจะตั้งหายใจให้มันเงียบสงบไปทั้งพยายามจะดูให้มันเงียบสงบไป ย้ำจะดูเราใหใจไม่เงียบสงบไว้ดูจิตย้ำไม่เงียบสงบไว้ไม่ใช่นะย้ำปฏิบัติไม่ถูกไม่ถูกอย่ังแสองว่ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวให้พัชรีอธิบายสิผู้หญิงผู้หญิงเหมือนกันอาจจะช่วยกันได้ไอ้เรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยไหลองดูดิเอาตะลิ่ลองช่วยหน่อยสิชื่อหลีแล้วพยายามจะแยกคือพยายามจะช่วยตัวเองอพยายามแยกตัวเองให้หลุดพ้นมาจากอะไรพี่เห็นในตัวพยายามทํำไหมคะ พยายามให้มันนิ่งพยายามให้มันส ง, งบพยายามไปกดความคิดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ต้องกดไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยไม่ต้องพยายามเอาไอตัวที่พยายามทําแล้วทําเนี่ยเอาออกไปเลยคือไม่ได้ไม่ได้ไปกําจัดมันนะพี่นะคือคือแค่เห็นสมมุติเห็นเห็นปุ๊บว่าอ๋อไ อ, ไอ้นี้มันพยายามกําลังจะหายใจอยู่เห็นปุ๊บเนี่ยก็แค่นั้นไม่ต้องพยายามทํำอะไรต่อ คือต้องไม่ทำอะไรเลยอะ่ะต้องพยายามไม่ไม่ใช่พยายามต้องไม่มีความพยายามไปทำอะไรแค่รู้แค่รู้แค่เห็นมันเห็นแล้วเนี่ยก็ปล่อยปล่อยก็คือช่างมันไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปคิดจะทำอะไรมันทั้งสิ้นแค่เห็นแค่เห็นแค่นั้นเองค่ะมันมันก็เหมือนเหมือนง่าย แต่ก็ไม่ง่ายเหมือนยากแต่ก็ไม่ยาก<ส>แค่แค่แบบถ้าถ้าลองค่อยๆค่อยๆดูค่อยๆสังเกตอนะพยายามสังเกตไอตัวไอตัวนี้ให้ให้เจออะถ้าถ้าเห็นมันเมื่อไหรเนี่ยเห็นครั้งแรกแล้วอย่างที่หลวงตาบอกมันก็จะเห็นเห็น <_ S 2> <ๆ>ได้ละคือ พ, พี่พี่ลองสังเกตตัวเองอะว่ามีไหมไอตัวพยายามไปแบบทําให้มันสงบจะรู้สึก ว, ว่ามันจะพยายามหายใจตอนนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่มัน ต้องทำดวงตาตาพรมันไม่เห็นคือคือรู้แค่ว่าก็ก็แค่สังเกตไอตัวไอตัวที่พยายามทําบางทีมันซ่อนอยู่มันเนียนไงพี่เราเราจะไม่สังเกตเห็นมันไงมันเนียนมากไงแต่ว่าถ้าถ้าลองดูดีๆบางทีจะเห็นแต่ค่อยๆค่อยๆสังเกตมันไปมันจะมีตัวที่พยายามทำนูนทําที่พยายามแบบหาความสงบพยายามไปค้นหาอะไรอยากจะอย่างนี้จะมีความอยากมีความพยายามทําให้ มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปบังคับมันอ่ะพวกนี้ก็คือปรุงแต่งทั้งหมดมันไม่ใช่ไม่ใช่ใจที่ที่เป็นของดั้งเดิมตามธรรมชาติไม่ไม่ใช่ตัวนั้นคือตัวนั้นน่ะมันจะรู้ได้อย่างเดียวมันมันทำอะไรไม่ได้เลยมันจะคิดไม่ได้มันจะปรุงไม่ได้มันมันจะอยากไม่ได้มันจะพยายามทำน้อยๆไม่ได้จะปล่อยวางก็ไม่ได้มันรู้เฉยๆมันทาได้แค่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้แล้วมันรู้โดยที่แบบ มันมาจากไหนก็ไม่มันมันรู้อะมันอยู่ๆมันก็รู้เหมือนเหมือนพี่พี่กําลังฟังเนี่ยพี่ก็ได้ยินเสียงก็มีมีคนที่มารู้รู้เสียงอันเนี้ยไครก็ไม่รู้ไม่ไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่านะคะเหมือนงงๆใช่เพราะว่ามันเหมือนทุกครั้งก็จะจะเข้าไปทําอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่ทันมันแต่รู้ว่าทุกครั้งเวลาเกิดอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีลักษณะ มันจะพยายามหายใจเพื่อให้มันหนึ่งที่ที่คุณน้องบอกให้มันสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเห็นตัวนั้นอะแต่ก็เดี๋ยวสักพักมันก็จะลงไปอยู่เพราะเวลาเห็นเนี่ยมันมันจะสงบเองมันมันจะสงบเองมันจะแบบคือไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยอ่ะคือแค่เห็นจริงๆแค่แค่เห็นแค่แค่รู้รู้ว่าโอ้ไมนกําลังคิดอย่างนี้นะแล้วมันจะ มันจะมันจะหยุดอะ่ะมันจะหยุดคือมันไม่หยุดเน่ะมันก็มันก็จะดับอยู่ดีสมมุติว่าบางบางอย่างอย่างอย่างเช่นความหดหยิดหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะใช้เวลานิดนึงคือแบบเห็นเกิดแล้วก็ทักันก็ดับแต่บางทีก็ก็กกวัยนะฮะแล้วแล้วแต่แล้วแต่ว่าอารมณ์มันแรงหรือหรือมันค่อยแต่ต้องพยายามสังเกตคือขอการกำหลวงตาครับทุกครั้งก็ ผมว่าค ำ, คำนี้โดนทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ลองวางดูครับวางทั้งหมดวางวางวางทุกอย่างแล้วเราจะเห็นเห็นเองวางความขวนขวายวางวางอีกสิ่งที่เราจะไปคน้นคือทันทีที่เราจะไปคน้นก็จะมีคนที่จะไปคน้นพอมีคนที่จะไปคน้นก็เราก็เรานี่ยและฮะล้วก็เผลอไปไปขึ้นขบวนรถอีกแล้ว เราก็ลองลองวางลองอยู่นิ่งๆข้างนอกเคลื่อนไหวแต่แต่เราไม่เคลื่อนไหวภายในเราไม่เคลื่อนไหวลองลองอยู่กับกับความความความที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมันจะเกิดก็ให้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันจะเกิดก็เรื่องของเขาไปแต่เราก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับกับเขาถ้าเปรียบก็คล้ายๆกับกระจก กระจกส่องเงานะครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีไม่มีอะไรปรากฏหน้ากระจกมันก็ไม่มีอะไรเข้าไปลำมันก็เป็นอะไรที่มันว่างเปล่าแต่เมื่อใดก็ตามถ้านมันมีอะไรปรากฏก็แสดงแต่ว่าคนในกระจกไม่สามารถจ ะ, จะหมั่นไส้ไม่สามารถที่จะไปแสดงอาการใดๆกับสิ่งที่ที่ปรากฏขึ้นมาได้ก็เพียงแค่สะท้อนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ รู้ไปอย่างนี้รู้ไปอย่างนี้แล้วก็เห็นมันก็ดับไปของมันครับมันเวลาฟังแล้วเข้าใจอะนะครับเวลาไปไปเจอกับสิ่งที่มันผัสสะจริงจริงแล้วเราก็มันก็ยังอันเนี้ยก็ก็ก็กพี่หลีเเหมือนที่หลวงตาท่านเมตตานะพี่หลีไปมุ่งผลนะครับคือเราเราทำเหตุนะครับทําเหตุถ้าเราเพอภัยแล้วก็ ดึงกลับมาแ ล, แล้วก็ทำเหตุไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆนะครั บ, รบวันหนึ่งสติก็จะเข้มแข็งขึ้นมันก็จะมีกำลังมากขึ้นด้วยด้วยตัวเขาเองอะครับแต่ทันทีที่เราไปไปไปไปหวังผลเรายังหว่านพืชไม่เตรียมดินไม่เรียบร้อยก็ก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพี่ดีคับครับก็มีหน้าที่ในการมุ่งเหตุทำเหตุให้ใ ห, ให้ให้ถึงพร้อม เหมือนกับที่หลวงตาเมตตาเล่าเรื่องหลวงปู่ชาระเบิดสามครั้งเนี่ยครับก็คือว่าถ้าเหตุพังพร้อมแล้วผลมาเองนะครับครับไปมุ่งไปมุ่งผลมากก็จะทำให้เราเราโดนเราโด น, โดนกิเลสเกิดเราไปเกิดกิเลสกับมันนะครับครับครับก็เราอยากอยากจะพ้นจากทุกข์อย่างตรงนั้นแล้วก็เราก็จะดิ้นรนเวลามันเกิดอะไรขึ้นสาทุกครับก็มีความความความปัตนานะครับก็มุ่งเหตุนะครับมุ่งเหตุไป เขาจะสังเกตทุกครั้งเนี่ยมันพอมาปุ๊บเราจะไม่ทันมันก็เข้าไปมันก็เข้าไปเข้าไปกดมันเอาไว้แล้วเนี่ยมันไม่ทันมันทุกทีอาจจะเป็นเพราะเราลองครั้งนี้ครั้งนี้ไม่ทันก็ปล่อยมันไปก็ครั้งหน้าก็ลองใหม่นะครับค่ะแค่เห็นว่าไม่ไม่ไม่ทันก็ทันแล้วนะครับลองลองวางนะครับลองวางดูวาง วางเห็นแล้วก็วางวางนี่คือไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ไปเตะมันออกไปนะครับวางคือวางที่จะไปปรุงแต่งกับมันวางที่จะไปยุ่งกับมันวางที่จะไปไปอุ่นวายอะไรกับมันให้เห็นมันเป็นไปตามธรรมชาติครับเห็นไปตามธรรมชาติเดี๋ยวมันก็ดับของมันไปเองนะครับให้เป็นอย่างนี้จนเราก็จะเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วมันก็ไม่เที่ยงเลยพอมันเห็นว่ามันไม่เที่ยงเราก็ไม่รู้เลยไปยึดกับอะไรที่มันไม่มีอะไรนะฮะ ก็ทำให้เราปงปล่อยวางได้เร็วขึ้นนะครับครับผมก็เป็นผู้เพิ่งเริ่มเดินทางนะครับก็อ่อนด้อยมากนะครับก็ค่อยๆฝึกตนไปอย่างนี้นะครับผมผมก็ไม่ได้เล็งผลนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ตั้งอธิษฐานไว้แต่ว่าเราก็มุ่งแต่เรื่องการทำเหตุฝึกตนไปทุกๆบ่อยๆบ่อยบ่อยๆทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับจริงๆก็คือมันก็อยู่กับ ความเป็นปกติอย่างนี้แล้วค่ะก็คือไม่ต้องไปทําอะไรมันจริงแล้วครับเพียงแต่ว่าคือคือมันเหมือนพอเราเรามีความสึกมีความทุกข์มากเราก็ต้องการที่จะให้มันพ้นไว้ไวนั่นนะครับนั่นนะครับนั่นแหละตรงนั้นแล้วก็เหมือนทุกครั้งที่มันเกิดอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะอาการใดๆก็ตามก็ก็จะไปคอยคือความไม่ชอบอาจจะเป็นเป็นเหตุสําคัญอันหนึ่งซึ่งซึ่งทําให้ตัวเองคอยอจริงจริงจริงจร พ, พี่พี่หลี่เขาเห็นนะครับเห็นว่ามั น, นแต่แต่ จะรู้ว่าตัวเองไม่ไ ม, ไม่ทนันเวลามันเจออะไรมาเยอะๆปุ๊บเราก็เราก็เริ่มเริ่มดิ้นละกําลังจะแบบไม่ไม่ก็ลองลองเลิกดิ้นดูสิครับ <c oughs> ลอ ง, องวางดูครับพี่หลีวางวางดีที่สุดครับ <c oughs> ครับคํานี้หลวงตาโดนโดนใจผมตลอดนะครับ <c oughs> เวลาภาวนานิ่พูดวุ่วายวางนะวางวางแล้วเบาฮนะวางก็วางนะครับ <c oughs> ลองวางดูนะครับวางแล้วนะครับ สาธครับขอบคุณ